พวกนายนิยาบานก็ไล่ต้อนสัตว์นั้นให้ขึ้นบนภูเขาให้วิ่งขึ้นดอยฐานเพลิงเนะี่ยเป็นดอยที่มีแต่ฐานเพลิงอะ่ะเหมือนกับให้วิ่งขึ้นบนภูเขาไฟอะ่ะเพลิงใหญ่ก็ติดทั่วมีไฟลุกโพล่บ้างไล่ต้อนให้ลงจากภูเขานั้นบ้างนายนิยาบานไม่ร้อนหรือไงพวกนายนิยาบานก็จับสัตว์นั้นเอาเท้าชี้ข้างบนเอาหัวห้อยลงข้างล่างแล้วก็เวียงลงไปในหม้อเหล็กอันร้อน ที่มีไฟติดทั่วมีไฟลุกโผล่บ้างที่เด ก, กระทะทองแดงอ่นนนะนะก็จับเวียงลงไปบางคนนี่เขาไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอ่ะนะแต่อย่าตายกันแล้วกันสัตว์นั้นเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กเหมือนฟองน้ําที่เดือดอยู่นั่นแหละเมื่อเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กเหมือนฟองน้ําที่เดือดบางครั้งก็เดือดพล่านไปข้างบนบางครั้งก็เดือดพล่านไปข้างล่างเหมือนใครเคยต้มข้าวต้มมั่ง เม็ดพามันลอยขึ้นลอยลงลอยไปข้างๆก็เหมือนกันนั่นแหละบางครั้งก็เดือดพล่านไปทางขวางบัางสัตว์นั้นได้เสวยทุกขเวทนาแสบร้อนร้ายแรงอยู่ในหมอ้อเหล็กนั้นแต่ยังไม่ตายตลอดเวลาที่บา ป, ปรกรรมนั้นยังไม่สิน้นทุกโทมนัสเป็นภัยของสัตว์นั้นเกิดจากอะไรภัยนั้นเกิดบังเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อาจยาของตน สรุปแล้วที่สัตว์เหล่านี้ต้องมาตกนรกในลักษณะนี้เพราะอะไร <S <S ก็เพราะไปผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมเพื่อต้องการอะไรก็เพื่อต้องการกามนั่นเองพระองค์บอกว่าไอ้กา ม, มาสุขคันลิการุโยกมันเป็นส่วนสุดเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องไปหมกมุ่นมันก็ค่อยๆเลยเถิดไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่ไปเล่นการพนัน น, นะนะใหม่ๆมันสนุกนะเล่นการพนันเนี่ยเสียห้าบาทสิ บ, บาทหรือได้มาร้อยสองร้อยอะไรมันก็เพลินไปเรื่อย นี่มันเล่นไปเล่นมานี่เริ่มหมดตัวแล้วหมดตัวมันอยากได้คืนทำไงก็เริ่มนี่มีนี่มีสินขายโนย่นขายนี่เล่นไปเล่นมาไ ม, ไม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งตัวเองเลยแม้แต่ชีวิตยังไม่เหลือเลยก็มาจากความสนุกหรือเหมือนกับพวกติดยาเสพติดนั่นแหละก็เพราะเห็นแต่ความสุขเล็กๆในน้อยชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ปัญหาติดตามมาอีกเป็นทันเลย พวกนายนิรยาบาล น, นั้นก็โยนสัตว์นั้นลงไปในมหานรกเมอวันนี้ไปเที่ยวดูมหานรกเขาว่าไงบ้างเผื่อไปถึงจะได้ไม่เสียใจอะนอะนายนิรยาบาลก็คือสมมุติถ้าอาดีตชาติเขาเป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์แบบพวกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอ น, นะเป็นเจ้าหน้าที่ที่โหดร้ายอ่ะอุปนิสัยอันนี้ก็ทําให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่โน่อนอีกแต่เขาก็ทุกข์เหมือนกันนะนนก็ทุกข์แบบนายนิรยาบาลอนะ่ะมันก็กลื่อสัตว์นรกเหมือนกัน มันก็พอกันนั่นแหละจึงไปอยู่แถวนั้นเนือกันก็แหละในมหานรกนั้นน่ะมีหมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนึกถึงห้องโถงคล้ายโบสเงั้นมีประตูสี่ช่องซึ่งจำแนกนับออกโดยส่วนมีกำแพงเหล็กเนี่ยล้อมรอบมีแผ่นเหล็กนี่ครอบเอาไว้อีกเป็นห้องคล้ายๆกับแทงน้ำสี่เหลี่ยมสแตนเลสอะ่ะมหานรกนั้นมีภาคพื้นสาเร็จด้วยเหล็กมีเปลวไฟลุกรุ่งโรธ ประกอบด้วยไฟร้อนแผ่ไปร้อยโยดโดยรอบไฟที่มันพุ่งออกเหมือนกับไฟที่เขาเผาหัวแก๊สมันพุ่งอย่างนั้นแหละมันพุ่งออกไปร้อยโยดร้อยโยดก็ประมาณพันหกร้อยกิโลเมตรเนี่ยที่มันพุ่งออกไปมหานรกนั้นอันเป็นที่น่าสยดสยองเผาผลาญสัตว์นั้นให้ทุกข์ร้ายแรงมีเปลวไฟแสนยากที่จะเข้าใกล้หน้าขนลุกขนพองน่ากลัวให้เกิดภัยให้เกิดทุกข์ ท่านนึกถึงพระเตมีใบอ่ะนะตอนที่ท่านทําบเนี่ยก็เพราะว่าท่านนึกชาติได้วะในอดีตเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็สั่งฆ่าเนี่ยเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกแปดหมืนปีตอนหลังเนี่ยพอพ้นมาจากนรกก็มาเป็นลูกของพระราชาอีกรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนเดียวด้วยจะต้องเป็นพระราชาองค์ต่อไปไม่ใบก็ทำใบไม่บ้าก็ทําบ้าเลย เขาจุดไฟเผาเนะเสมอ ร, รอบๆเนี่ยเหมือนกับไฟกำลังไหมมานะนอนนิ่งเลยเพึ่งมาจากนรกเมื่อกี้เนี่ยมันร้อนกับไฟนี้หลายสิบเท่านะเพราะฉะนั้นไฟแค่นี้ทำไมจะทนไม่ได้เพราะไม่อยากเป็นพระราชาไฟอ น, นันเนี่ยมันร้อนมากกองเปลวไฟนี่ตั้งขึ้นแต่ฝาด้านทิศตะวันออกแล้วก็แพดเผาสัตรที่มีบา ป, ปรกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านทิศตะวันตกไฟเนี่ยมันพุ่งมาเลยเนะ กองเปลวไฟเนี่ยตั้งขึ้นแต่ฝาด้านทิศ ต, ตะวันตกแล้วก็แผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านทิศ ต, ตะวันออกมันคล้ายๆกับยิงแสงเลเซอร์พุ่งออกไปนะแต่มันไม่ยิงครั้งเดียวนะมันพุ่งอยู่อย่างนั้นตลอดนี่สิแล้วก็กองไฟเนี่ยตั้งขึ้นแต่ฝาด้านทิศเหนือก็กแผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปกรรมผ่านไปกระทบฝาด้านทิศใต้ ultimately. กองเปลวไฟนี่ก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ ฝาด้านที่ใต้แล้วก็แผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปรกรรมผ่านผาไปกระทบด้านทิศเหนือก็คือแปลว่าไฟนี่มันพุ่งได้ทุกทิศกองเปลวไฟที่น่ากลัวตั้งขึ้นแต่ภาคพื้นข้างล่างแล้วก็แผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบาปรกรรมผ่านไปกระทบฝาข้างบนไม่มีขุมขนขุมไหนที่ไม่ถูกไฟเผามันที่ความร้อนเข้าไปไม่ถึงมันคล้ายๆกับที่ถนนเพชรบุรีใช่ไหมที่แก๊สมันระเบิด ไหนนั่นมันแค่ลวกวัดเดียวแค่นั้นเองไอ้แต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นพันพันปีอย่างเงี้ยมันจะขนาดไหนนะกองเปลวไฟที่น่ากลัวนั้นตั้งขึ้นตั้งแต่ฝาปิดข้างบนแล้วก็แผดเผาเหล่าสัตว์ที่มีบา ป, ปรกรรมผ่านไปกระทบภาคพื้นข้างล่างแผ่นเหล็กที่ไฟติดทั่วร้อนอยู่เสมอมีไฟลุกรุ่งโรดฉั้นใดเอเวจีนรกข้างล่างข้างบนโดยรอบก็ฉันนั้น สัตว์ทั้งหลายในนรกนั้นมีกรรมหยาบมากทํากรรมร้ายแรงมากมีบา ป, ประกรรมโดยส่วนเดียวย่อมหมกไหมแต่ไม่ตายร่างกายของสัตว์เหล่านั้นที่อยู่ในนรกนั้นเนี่ยเหมือนไฟที่ลุกอยู่เชิญดูความมั่นคงของกรรมทุกขากายยะวิญญาณ น, นี่มันเกิดที่นั่นเนี่ยมากมายมันรอเลี้ยงเอาไว้มันต้องเจ็บอย่างนี้ไปอีกนานๆน่นนะเรียกว่ามันไม่ยอมให้ตายอ่ะนะ ให้มันทรมานให้มันเจ็บที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าและเขาเหมาไม่ได้มีเลยเนี่ยมันเป็นไฟล้วนๆที่ไม่มีที่เท่าไม่มีเข้าเหมามีแต่เปลวแดงๆไฟนรลกนี่มันพุ่งในลักษณะนั้นแล้วก็ท่อเนี่มันไม่ได้เล็กๆแบบท่อตัดหัวแก๊สเนี่ยมันใหญ่มันพุ่งอยู่ตลอดเหล่าสัตว์นั้นก็วิ่งไปในทางที่ตะวันออกแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาทางที่ตะวันตก วิ่งไปทางทิศเหนือก็ ว, วิ่งย้อนกลับมาทางทิศใต้วิ่งไปในทิศใดๆประตูในทิศนั้นนั้นก็ปิดเองเหล่าสัตว์นั้นมีความหวังเพื่อแสวงหาประตูที่จะออกสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เพื่อจะออกจากนรกนั้นบาปประกรรมเป็นปัจจัยเพราะบาประกรรมที่สัตว์เหล่านั้นกระทาไม้มากยังไม่ได้ให้ผลหมดสิ้นดังนี้ทุกขโทมนัตนั้นเป็นภัยของสัตว์นั้นเกิดแต่อะไรภัยนั้นเกิดบังเกิดบังเกิดเฉพาะ ปรากฏแต่อาทยาของตนเกิดมาจากการกระทําของตัวเองนั่นแหละที่ต้องไปทําอย่างนั้นก็เพราะหมกมุ่นในกามนั่นแหละทุกในนรกก็ดีทุกที่มีในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ดีมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงครนะับเป็นวัวเป็นควายถูกตอนบ้าง ท, ทําไร่ไถนาบ้างทีก็ควายบางตัวเนี่ยก็ไถตั้งก็เชา่าอย่างหน้าเนี่ฤดูเนี่ยบางภาคตั้งกตตีห้าเนี่ยก็ไถนะ จนถึงเก้าโมงสิบโมง ล, ลี่แหละจริงจะทอดประมาณบ่ายสองนี่ก็ไถอีกแล้วจนค่ำ ม, มั้มีเวลากินหญ้านิดหน่อยทุกในเดรฉ า, านก็ไม่ใช่น้อยหมาขี้เรือนเนี่ยส่วนหนึ่งที่จริงก็มาจากยุงกัดยุงมันกัดมากๆพวกเหาพวกเห็บกัดมากๆเข้าก็กลายเป็นขี้เรือนหมดทั้งตัวขี้เรือนหมดทั้งตัวยุงเนี่ยมันกัดส่วนไหนก็ได้ทุกในกําเนิดของสัตว์เดรฉ า, านบางตัวก็อดหิวโซไปอย่างั้น ในอย่างนึงนะถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันอะ่าคิดว่าจะพ้นนะจุติจิตปั๊บปฏิสนธิอย่างนั้นไม่ยากเลยชั่วแค่หายใจเดียวเนะี่ยหายใจเฮืดเดียวสามารถที่ไปปฏิสนธิแบบนั้นได้ทันทีเลยถ้าหากว่าคนพาลเนี่ยเขาบอกว่าทําตัวเหมือนไม่ตายทําตัวแล้วลืมตายก็เหมือนกับสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยโครมจุติไปแล้วไปบังเกิดอีกทีหนึ่งก็น่าเห็นใจหรือไปเกิดเป็นเปรต เปรตบางตัวนี่ก็น่าสงสารเนี่ยเปรตที่อดอยากหอยหิวมาหลายๆายพุทธันดรเลยเนี่ยอย่างเปรตญาตพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยหิวอย่างเดียวเนี่ยเก้าสิบเอ็ดกลับไม่ใช่พุทธันดรเดียวนะเก้าสิบเอ็ดกลับทุกทรมานอดอยากหิวโหอยอยู่ตลอดหมกไหมอยู่ในนรกไปถามพุทธเจ้าตั้งแต่กากรสันโธเมื่อหลายข้าพ อ, อง์จึงจะได้กินนะพื้นดินสูงขึ้นโยอดหนึ่งยัมีพรพุทธเจ้า พนามว่าโกนาคามณะมาตัสรุเธอไปถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถอะดีใจหนึ่งพุทธันดรแผ่นดินหนาขึ้นสิบหกกิโลเมตรพอมาถึงพระพุทธเจ้าพนามว่าโกนาคามณะก็บอกว่าแผ่นดินหนาขึ้นอีกโยอดหนึง่งจะมีพระผู้มีร พ, พระภาคพนามว่ากัสปะมาตัสรุเธอไปถามพระพุทธเจ้าพนามว่ากัสปะเถอดก็ดีใจอีกหนึ่งพุทธันดร น, นี้มันไม่ได้ปีเดียวเนียพอมาถึงศาสนาของพระผู้มีพระภาคกัสปะ ปองก็บอกว่าเธอไม่ได้กินในาศาสนาของเราหรอกศาสนาของพระสมณะโพดมเลริกหนึ่งพุทธันดร อ, อีกแผ่นดินหนาขึ้นอีกโยอดหนึ่งญาติของเธอจะได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารตอนหลังพระเจ้าพิมพิสารทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อ่ะจึงได้กินอ่ะอดอยากหิ้วโหยขนาดนั้นเปรตบางตัวเนี่ยกระหายน้ําอยู่ตลอดนะก็อยู่ข้างน้ําอ่ะแต่ว่าวิ่งเข้าไปเนี่ยจะมีแต่กองขี้แกลบขี้เท่าเนี่ยเผาไหม ได้ยินเสียงน้ําตกอยู่เป็นเปรตยอยู่ข้างน้ําตกแต่ไม่ได้กินน้ําหรือบางทีเนี่ยเปรตแม่ของพระสารีบุตรในอดีตชาติก็มีก็มาบอกพโมคขาลานะหรือมาบอกพระสารีบุตรให้ทําบุญดูที่สวนกุศลไปให้พวกที่อดอยากหิวโหยเนี่ยเปรต บ, บางพวกเนี่ยคนถมน้ําลายลงไปพขจะมาเก็บกินเลยนะมาดูดดูกินอดอยากหิวโหยบางคนก็มากินซากกินศพแบบศพที่ตายใหม่ๆเลือดขาวคล้งก็มากินพวกนั้นแหละ สัตว์ที่เราไม่เห็นเนี่ยมันมีอีกเยอะนะเพราะภูมิที่เราไม่เห็นเนี่ยอย่างพวกนอนพวกสัตว์ที่มันเกิดในที่มืดตายในที่มืดเกิดในเท่าใครเกิดในที่สกปรกเกิดในซุวมอย่างเงี้ยมันก็เกิดตายอยู่แถวนั้นเนี่ยชีวิตของพวกนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมาเห็นโลกหรือว่าจะได้มาเห็นธรรมเพราะว่าในหมู่สัตว์เหล่านั้นที่ประพฤติธรรมไม่มีเมื่อเขาไม่มีการประพฤติธรรมเนี่ย อย่าลืมนะว่าวิบากกรรมชโวิตแบบมนุษย์เนี่ยเป็นผลของบุญวิบากกรรมชโวิตแบบเราๆเนี่ยมาด้วยผลของบุญผวังขจิตที่มามีสติมีปัญญาแบบเนี้ยมาด้วยผลของบุญผวังขจิตของเราเนี่ยมีอะไรรับรองว่าคุณจะอยู่อีกยี่สิบปีผวังขจิตนี้อยู่ด้วยผลของกรรมรู้หรือว่ากรรมที่ให้เรามาเกิดเนี่ยเป็นกรรมให้อยู่ได้อีกนานไม่รู้กรรมที่ทําไว้ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ แล้วทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ทำตัวเหมือนตายไม่เป็นสแสวงหาทรัพย์สมบัติบางคนก็ถึงกับยอมผิดศีลผิดธรรมคือไอ้ทาตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ทีนี้ผลมันให้เนี่ยยอมมันเอาล้านเอาแสนมาคู น, นทำขนาดนี้เอาเป็นล้านเนี่ยมาคูนเข้าเรียกว่าถ้ากกู้มาสิบบาทอย่างเงี้ยจ่ายคืนเนี่ยเป็นล้านอะ่ะเจตนาเนี่ยตัวนี้มันร้ายกาจมาก พระพุทธเจ้าบอกให้เห็นโทษของเจตนาเหมือนกับบุรุษมีกําลังสองคนจับคว้างไปในหลุมฐานเพลกมีอนุภาพมากตัวเจตนาตัวเนี้พาไปปฏิสนธิได้ในทุกภพภูมิแต่ส่วนใหญ่มันก็ไปแต่ที่ที่ต่ําๆหรือว่าถ้าหากว่าพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยถามว่ามนุษย์ที่มีความสุขจริงๆมีกี่คนพอนมาอยู่อย่างงี้นะไม่มีใครมาเล่าบอกท่านโยมนี่มีความสุขเหลือเกินทุกวันเนี่ย ไม่มีเลยมีแต่ท่านโยมนั่นแหลทุกอย่างนี้ยอมนั้นก็นทุกอย่างนั้นทุกเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวมีแต่คนทุกข์เราให้ฟังทุกข์เหล่านั้นก็บังเกิดเกิด เ, เพราะบังเกิดบังเกิดเฉพาะทุกข์เหล่านั้นเกิดเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทําของตนเกิดเพราะอาจจะอาจญาเหล่านั้นก็มาจากไหนก็มาจากกามนั่นแหละกามเหล่านั้นนั่นแหละพระองค์เนี่ยแสดงถึงทุกโทษไว้ต่างๆมากมายมหาศาล ผู้ที่หมกมุ่นติดพันอยู่ในกาลสนุกตรงนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าผลของมันเนี่ยมันเผ็ดร้อนมากพระองค์ยังบอกว่าไอาการปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอะไรแล้วก็กระแสของวาตตะมันก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้ตัวตันหาที่ไปเพลิดเพลินในกามเนี่ยมันก่อปฏิสนธิไปเรื่อยๆเพลินหนึ่งครั้งก่อปฏิสนธิหนึ่งครัง้งถ้าเพลินทั้งวันอย่างนี้ยมันก็เกาะปฏิสนธิอีกเท่าไหร่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ย ชีวิตจึงหาความปลอดภัยไม่ได้เลยในเรื่องตามทั้งหลายเหล่านี้นะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนเครหาพดีเปรียบเหมือนสุนัขอันมีความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้วพึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคคาสนายโคคาหรือลูกมือของนายโคคาผู้ฉลลาดคนข้าววัว น, นะ ก็โยนร่างกระดูกที่เชื้อชํำแหละออกจนหมดเนื้อแล้วเปื้อนแต่เลือดไปยังสุนัขฉันใดดูก่อนครับหับบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะสุนัขนั้นแทรร่างกระดูกที่เหลือที่เชื่อชํำแหละออกจนหมดเนื้อแล้วเปื้อนแต่เลือดจะพึงบําบัดความเพลียเพราะความหิวบ้างหรือกระดูกเปื้อนเลือดมกระล่อมกระแลมกลืนน้าลายตัวเองถามว่ามันจะอิ่มได้บ้างไหม ไม่ได้เลยเพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นร่างกระดูกที่เชือดช้ำแหละออกจนหมดเนื้อเปื้อนแต่เลือดและสุนัขนั้นพึงมีแต่ส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยขับแค้นเท่านั้นดูก่อนครหบดีอริยะสาวกก็ฉันนั้นนั่นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าตัวนี้นะตัวปัญญาตัวนี้แหละที่เรียกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นตามเหล่านี้ว่า กามทั้งหลายพระผู <Character ism> ้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นการเหล่านี้ว่าการทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากการนี้มีโทษอย่างยิ่งท่านเห็นโทษแห่งการนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว เห็นด้วยปัญญาคือวิปัสนาปัญญาและมัคคปัญญาด้วยอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่มีอุเบกขาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็มาสแสวงหาอุเบกขาที่เป็นฌานเจริญอุเบกขาที่เป็นฌานอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆเช่นอุเบกขาเป็นภายในจากขูวิญญาณนี้อารมณ์ต่างๆใช่ไหม อุเบกขาที่โสตวิญ ญ, ญาณก็อารมณ์ต่างๆส่วนอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวก็คืออุเบกขาในจตุทชานอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวเป็นที่ดับแห่งความถือมั่นในโลกามิติโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้ดูกรื่อหับดีเปรียบเหมือนแรงก็ดีนกตะกลุ่มก็ดีเหยี่วก็ดีพาชิ้นเนื้อบินไปแรงทั้งหลายนกตะกลุ่มทั้งหลายและ เหี้ยวยังหลายจะพึงโผลเข้ารุมจิกแย่งชิ้นเนื้อนั้นฉันใดดูก่อนเครห บ, บดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนใดถ้าแรงนกตะกลมหรือเหี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันจะถึงตายหรือทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูก่อนเครห บ, บดีอริยาสาวกฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า การทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความขัดแค้นมากโทษในกามนี้มีโทษยิ่งนะักครั้นเห็นโทษในกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆอันนี้นะแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้ดูก่อนครหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงญ่าอันไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปฉันใดดูก่อนครหบดีท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อคบเพลิงญ่าอันไฟติดทั่วนั้นเสีย คบเพลิงญ่าอันไฟติดทั่วนั้นพึงไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นจะถึงตายหรือทุกปางตายเพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นท่านพระองค์ผู้จเจริญดูก่อนเครืหาบดีอริยาสาวกนั้นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าตามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบด้วยคบเพลิงญ้า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 โลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้และอีกแห่งหนึ่งพวกองเปรียบอุปมาเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษหนึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเปเลวปราศจากควันบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงมาบุรุษมีกำลังสองคนช่วยกันจับแขนบุรุษนั้นข้างละคนฉุดเข้าไปยังหลุมฐานเพลิงฉันใดดูก่อนขึหาบาดี ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษนั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้บ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นรู้ว่าเราจะตกหลุมฐานเพลิงนี้จากถึงตายหรือทุกบางตายเพราะการตกอย่างหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุดูก่อนเครือห บ, บดีอริยะสาวกก็ฉันั้นแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามเนี่ยมีอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษในกามอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็เจริญอุเบกขามีอารมณ์เดียวกามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเปรียบเหมือนบุรุษเพลิงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรม ภาพื้นอันน่าเรื่นรมสาวโบครณีอันน่าเรื่นรมบุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วไม่พึงเห็นอะไรฉันใดดูก่อนเคราะห์บดีอริยะสาวกฉันนั้นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรักเปรียบเหมือนความฝันเหตุการณ์เมื่อวานนะเหมือนฝันพระองค์ตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับข อ, องขอยืมเข้ามาเปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมพวกคสมบัติ คือแก้วมณีและกุลทนอย่างดีบรรทุกยานไปเขาแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมาพึงเดินไปในตลาดคนเห็นเขาเข้าแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบุรุษนี้มีพวกขสมบัตินอนได้ยินว่าชนทั้งหลายมีผู้มีพวกขสมบัติย่อมใช้สอยพวกขสมบัติอย่างนี้ดังนี้เจ้าของพึงพบบุรุษนั้นณนะที่ใดๆก็พึงนาเอาของของตน คืนไปในที่นั้นนั้นชันใดดูก่อนเครืหาบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยจะสมควรหรือหนอความที่บุรุษนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปเป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมนําของของตนคืนไปดูก่อนเครือหาบดีอารยส า, าวก็ฉันนั้นนั่นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเหมือนของขอยืม มีทุกข์มากและอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยการทั้งหลายพระองค์ตรัดเปรียบอุปมาเหมือนกับผลไม้ผลไม้ก็คือมีชายคนหนึ่งไปเห็นผลไม้เนี่ยมีต้นดกก็เลยขึ้นไปบนต้นอยากกินลูกชายคนที่สองเนี่ยแบกขวานมาด้วยอยากกินผลไม้ขึ้นไม่เป็นก็เลยโค่นเลยนะถ้าไม่รีบลงเนี่ยตายแน่เหมือนกันการทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่กาลังบริโภคเพินไม่ได้อ่ะพุโค่นลงแน่ พระ อ, องค์จึงตรัสการมาสุขัาลิกานุโยกนี่ยเป็นโทษถามว่าให้สลัดกรรมหรือสลัดยังไงสลัดด้วยการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากการมทั้งหลายเหล่านี้ข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดนั้นในธรรมจักรกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเกิดแสงสว่างเกิดวิชาความรู้อย่างในน้อยที่สุดนะนะฟังเรื่องธรรมจัก ก็ได้กรรมและผลของกรรมก็ยังดีไม่เห็นอริยสัจก็เห็นผลของกรรมก็ยังดี